ส่วนภิกษุทั้งหลายที่ปราศจากราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงแท้ในสังขาร น, นี้แต่ที่ไหนเหล่าท่านทั้งหลายครั้งนั้นแหละผมเรียกล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าพอเถิดพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญไปเลยพระผู้มีพระภาคตรัส บ, บอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆกันความพลัดพราก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 พวกเราจะสังายานาพระธรรมและวินัยกันก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกคัดค้านสิ่งไม่ใช่วินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังพวกธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวินยวาทีจะมีกำลังพวกวินยวาทีจะอ่อนกำลังพระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุธทำสังายนา ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นพอพระเทระโปรดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิดลำดับนั้นท่านพระมหากัสปะจึงคัดเลือกพระอรหันต์ได้499รูปภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนท่านพระมหากัสปะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านพระอาณ น, น, นี้ยังเป็นเสขับบุคคลก็จริงแต่ไม่ลำเอียงเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลง เพราะความกลัวอันหนึ่งท่านพระอา น, นุนนั้นได้ศึกษาพระธรรมและวินัยเป็นอันมากในสำนักของพระผู้มีพระภาคถ้าเช่นนั้นขอพระเถระโปรดเลือกท่านพระอานุนด้วยท่านพระมหากัสสปะจึงเลือกท่านพระอา น, นุนกำหนดเขตการอยู่จำพรรษาต่อมาภิกษุผู้เถระทั้งหลายปรึกษากันดังนี้ว่า พวกเราจะสังขยนาพระธรรมและวินัยที่ไหนหนอลำดับนั้นเห็นพร้อมกันว่ากรุงราชครึมีโคจราข่ามากเศนาสนามีเพียงพอทางที่ดีพวกเราพึงอยู่จำพรรษาในกรุงราชคฤึมสังขยณนาพระธรรมและวินัยภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงอยู่จำพรรษาในกรุงราชครึมต่อมาท่านพระมหากัตริประกาศให้สงราบด้วยยัติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านทั้งหลายขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุห้ารอรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครื้เพื่อสังขยานาพระธรรมและวินยัยภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชครื้นี่เป็นยติขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุห้ารอรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครืเพื่อสังขยนาพระธรรมและวินยัย ภ day, ko. ิก <weigh> ษุเหล่าอื่นไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชครึกท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุห้าร้อยรูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครึเพื่อสังขยนาพระธรรมและวินัยภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชครึกท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงแต่งตั้งภิกษุ500รูปนี้ให้จำพรรษาในกรุงราชครึ เพื่อสังขยาพระธรรมและวินัยแล้วภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงจำพรรษาในกรุงราชเครือสงสเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปฏิสังขรเสนาสนะที่สุโสมต่อมาภิกษุผู้เทระทั้งหลายได้เดินทางไปกรุงราชเครือเพื่อสังายาพระธรรมและวินยัยลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เทระได้ปรึกษากันดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงสัรเสริญการปฏิสังขรนเสนาสนะที่สุดโสมถ้าใไรพวกเราจะปฏิสังขรเสนาสนะที่สุดโสมในเดือนแรกจะประชุมสังขยนณาพระธรรมและวินัยตอนกลางเดือน พระอานน์บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นภิกษุผู้เทระทั้งหลายได้ปฏิสังขรณเสนาสนะที่สุดโสมในเดือนแรกลำดับนั้นท่านพระอานน์คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชุมการที่เราผู้ยังเป็นเสขาบุคคลอยู่จะไปร่วมประชุมด้วยไม่สมควรเลยจึงให้เวลากลางคืนเป็นส่วนมากล่วงไปด้วยกายกตาสติพอถึงเวลาใกล้รุ่งก็เองกาย ด้วยตั้งใจว่าจะนอนพักแต่ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเท้ายังไม่ทันยกขึ้นจากพื้นในระหว่างนี้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องท่านพระอุบาลีตอบคําถามเกี่ยวกับพระวินัยครั้นท่านพระอานนท์เป็นพระอรหันต์ได้ไปสู่ที่ประชุมลําดับนั้นท่านพระมหากัสสปะ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 ปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งลำดับนั้นท่านพระมหากระสปะได้ถามท่านพระอุบาลีว่าท่านอุบาลีพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งณที่ไหนท่านพระอุบาลีตอบว่าณนะกรุงเวสาลีขอรับท่านพระมหากระสปะถามว่าทรงปรารบใครท่านพระอุบาลีตอบว่าทรงปรารบพระสุทินกลันทบุตร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 ท่านพระมหาคสปะถามต่อไปว่าท่านอุบาลีพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สองณที่ไหนท่านพระอุบาลีตอบว่าณนะกรุงราชครึขอรับท่านพระมหาคสปะถามว่าทรงปรารบใครท่านพระอุบาลีตอบว่าทรงปรารบพระธนิยะกุมภการบุตรท่านพระมหาคสปะถามว่าเพราะเรื่องอะไร ท่านพระอุบารีตอบว่าเพราะเรื่องการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากนั้นท่านพระมหากสปะได้ถามถึงวัตถุบ้างถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างถามถึงพระบัญญัตบ้างถามถึงพระอนุบัญญัตบ้างถามถึงอาบัตบ้างถามถึงอนาบัตบ้างแห่งปราชิกศิกขาบทที่สองปราชิกศิกขาบทที่สาม ท่านพระมหาคสปะถามต่อไปว่าท่านอุบาลีพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สามณที่ไหนท่านพระอุบาลีตอบว่าณนะกรุงเวสาลีขอรับท่านพระมหาคสปะถามว่าทรงปรารบใครท่านพระอุบาลีตอบว่าทรงปรารบภิกษุหลายรูปท่านพระมหาคสปะถามว่าเพราะเรื่องอะไรท่านพระอุบาลีตอบว่า เพราะพร่ากายมนุษย์จากนั้นท่านพระมหากษัตริยได้ถามถึงวัตถุบ้างถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างถามถึงพระบัญญัติบ้างถามถึงพระอนุบัญญัติบ้างถามถึงอาบัติบ้างถามถึงอนาบัติบ้างแห่งปราชิกสิกขาบทที่สามปราชิกสิกขาบทที่สท่านพระมหากษัตริยถามต่อไปว่าท่านอุบาลี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 จากนั้นท่านพระมหาคสปะได้ถามถึงวัตถุบ้างถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างถามถึงพระบัญญัติบ้างถามถึงพระอนุบัญญัติบ้างถามถึงอาบัติบ้างอนาบัติบ้างแห่งปาราชิกสิกขาบทที่สีท่านพระมหาคสปะถามพระวินัยของสงฆ์ทั้งสองฝ่ายโดยอุบายนี้เหมือนกันท่านพระมหาคสปะเป็นผู้ถามท่านพระอุบาลีเป็นผู้ตอบ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 ข้าพเจ้าอันท่านพระมหากษัะถามพระธรรมจะได้ตอบต่อไปลำดับนั้นท่านพระมหากษัะจึงถามท่านพระอานุ์ว่าท่านอานุ์พระผู้มีพระภาคตรัสพรหมชาลสูตรณที่ไหนท่านพระอานุ์ตอบว่าณนะที่พระตำหนักในราชอุทยานอามพระทิการะหว่างกรุงราชครื้และเมืองนาลันทาขอรับท่านพระมหากัตรถามว่าทรงปรารบใคร ท่านพระอานนท์ตอบว่าทรงปราบรสุปิยะปริพาชกและพรหมทัตมานกจากนั้นท่านพระมหาปสปะได้ถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างในพรหมชาลสูตรท่านพระมหากัสปะถามต่อไปว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคตราาัสมาญพุลสูตรที่ไหนท่านพระอานนท์ตอบว่าณนะที่วิหารชีวกัมพวันกรุงราชครึกขอรับ ท่านพระมหากระสปะถามว่าตรัสกับใครท่านพระานนท์ตอบว่าตรัสกับพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรจากนั้นท่านพระมหากระสปะได้ถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างในสามัญญผลลสูตรแล้วถามจนครบทั้งห้านิกายท่านพระมหากระสปะเป็นผู้ถามท่านพระานนท์เป็นผู้ตอบ ขุดทานุขุดทกะเสือขาปะทะกถาว่าด้วยเสือขาบทเล็กน้อยครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายดังนี้ว่าท่านผู้เจริญในเวลาจะปรินิพานพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงไปสงหวังอยู่ก็พึงถอนเสือขาบทเล็กน้อยได้ภิกษุผู้เทระทั้งหลายถามว่าท่านอานนท์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 ที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยภิกษุผู้เทระบางพว้กล่าวอย่างนี้ว่ายกเว้นปาราชิกสี่สิกขาบทสังฆาทิเศษสิบสามิกขาบทที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยภิกษุผู้เทระบางพว้กล่าวอย่างนี้ว่ายกเว้นปาราชิกสี่สิกขาบทสังฆาทิเศษสิบสิกขาบทอนิยตตสองที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อย ภิกษุผู้เทระบางพ wa, ok ู 40, ้กล่าวอย่างนี้ว่ายกเว้นปาราชิกสี่สิกขาบทสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทอเนยตะสองนิสักคยะปาจิตตีสามสิสิกขาบทปาจิตตีเก้าสิบสองสิกขาบทที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยภิกษุผู้เทระบางพู้กล่าวอย่างนี้ว่ายกเว้นปราชิกสี่สิกขาบทสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทอเนยตะสอง นิสักขยะปาจิตตี30สิกขาบทปาจิตตี92ศึิสิกขาบทปาติเทสนียะสสิกขาบทที่เหลือจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยเรื่องไม่บัญญัติเพิ่มเติมและไม่ถอนพระบัญญัติเดิม ครั้งนั้นท่านพระมหากรสปะประกาศให้สงสรารด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเราที่รู้กันในหมู่ครหัดมีอยู่แม้พวกครหัดก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรสิ่งนี้ไม่ควรถ้าพวกเราจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็จะมีผู้กล่าวว่า พระสมณโคดมบัญญัติศึกขาบทแก่พวกสาวกชั่วการแห่งขวันไฟสาวกพวกนี้ศึกษาศึกขาบทอยู่ตลอดเวลาที่พระาศาสดาของตนยังมีชีวิตอยู่พอพระาศาสดาของพวกเธอปรินิพานไปแล้วบัดนี้พวกเธอก็ไม่ศึกษาศึกขาบทถ้าสงพร้อมแล้วก็ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไม่พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้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 พึงสมาทานประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติไม่ถอนพระบัญญัติตามที่ทรงบัญญัติไว้สมาทานประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงทรงไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติไม่ถอนพระบัญญัติตามที่ทรงบัญญัติไว้ สมาทานประพฤติขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องปรับอาบัตรท่านพระอาหนนห้ากรณี 1. ครั้งนั้น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 สิกขาบทข้อไหนที่จัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยเพราะระลึกไม่ได้กระผมไม่เห็นอาบัต ท, ทุกกฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบัต ท, ทุกกฎสองพิุผู้เทระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าท่านอาน o ์การที่ท่านเหยียบผ้าวัาสดุ ก, กะสาดกของพระผู้มีพระภาคแล้วปะชุนเรื่องนี้ปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัต ท, ทุกกฎนั้น ท่านพระอนุนชี้แจงว่าท่านผู้เจริญกระผมเหยียบผ้าวสัสกะสาดกของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพราะความไม่เคารพกระผมไม่เห็นอาบาทุกกฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบาทุกกฏ 3. ภิกษุผู้เทระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าท่านอานุนการที่ท่านให้มาตุคามถวายอภิวาสพระศริระของพระผู้มีพระภาคก่อน พระสิริระจึงเปียกเปื้อนน้ำตาของมาตุคามเหล่านั้นผู้ร้องไห้เรื่องนี้ปรับอาบัตททุกฏแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตททุ ก, กฎนั้นท่านพระอนุนชี้แจงว่าท่านผู้เจริญกระผมตระหนักว่ามาตุคามเหล่านี้ย่ารออยู่จนถึงเวลาวิกาลจึงให้พวกเธอถวายอภิวาสพระสิริระของพระผู้มีพระภาคก่อนกระผมไม่เห็นอาบัตททุ ก, กฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลาย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 การที่ท่านขนขวายให้มาตุคามโบสถ์ในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศไว้แล้วเรื่องนี้ปรับอาบัตทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตทุกกฎนั้นท่านพระอาณนทินชีแจงว่าท่านผู้เจริญกระผมขนขวายให้มาตุกคามโบสถ์ในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศไว้แล้วเพราะคิดว่าพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้นี้เป็นพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาค เคยประคับประคองดูแลถวายกเกษรรถฐานเมื่อพระชนนีสวรรคตกระผมไม่เห็นอาบัต ท, ทุ ก, กฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบัต ท, ทุ ก, กฎนั้นเรื่องพระปูราณนะสมัยนั้นท่านพระปูราณนะเที่ยวจาริกอยู่ในทักกิ น, นาคีรีชนบทพร้อมด้วยพิสุส ม, มู่ใหญ่ประมาณ500ร้อรูป ครั้นเมื่อภิกษุผู้เทระทั้งหลายสังายาณพระธรรมและวินัยเสร็จแล้วท่านพระปูราณนะพักอยู่ที่ทักคินาคิรีชนบทตามอธัธยาศัยเข้าไปหาภิกษุผู้เทระทั้งหลายณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยือกระแตเขกรุงราชครึกครั้นแล้วได้นั่งสนทนาอย่างบันเทิงใจกับภิกษุผู้เทระอยู่ณที่สมควรภิกษุผู้เทระทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระปูราณะดังนี้ว่า ท่านปูราณะภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้สังขยาณาพระธรรมและวินัยแล้วท่านจงรับทราบเรื่องที่สังขยนานั้นท่านพระปูราณะกล่าวว่าท่านทั้งหลายภิกษุผู้เทระทั้งหลายสังขยาณาพระธรรมและวินัยดีแล้วแต่ผมจะทรงจำไว้ตามที่ได้ยินเฉพาะพระพักตามที่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาค พรหมทันทกถาว่าด้วยการลงพรหมทันครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายดังนี้ว่าท่านผู้เจริญในเวลาจะเสด็จปรินิพานพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปสงจงลงพรหมทันแกภิกษุฉันนะภิกษุผู้เทระทั้งหลายถามว่าท่านอานน์ ท่านทูลถามพระผู้มีพระภาคหรือว่าพระพุทธเจ้าข่าพรหมทันเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านผู้เจริญกระผมทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วว่าพระพุทธเจ้าข่าพรหมทันเป็นอย่างไรพระองค์รับสั่งว่าอานนท์ภิกษุชนนะพึงพูดได้ตามที่ปรารถนาภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงตักเตือนไม่พึงพร่ำสอนภิกษุชนนะ ภิกษุผู้เทระทั้งหลายกล่าวว่าท่านอานน o ์ถ้าอย่างนั้นท่านนั่นแลจงลงพรหมทันแกภิกษุฉันนะท่านพระอานน o ์ถามว่าท่านผู้เจริญกระผมจะลงพรหมทานแกพระฉันนะได้อย่างไรกันเพราะเธอเป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายภิกษุผู้เทระทั้งหลายตอบว่าท่านอานน o ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลายจานวนมาก ท่านพระอาณนนรับบัญชาภิกษุผู้เทระทั้งหลายแล้วโดยสารเรือไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปถึงกรุงโกสัมพีขึ้นจากเรือแล้วนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งใกล้ราชอุทยานของพระเจ้าอุเทนเรื่องพระเจ้าอุเทนสมัยนั้นพระเจ้าอุเทนกับพระมเหสีประทับอยู่ในราชอุทยานพร้อมข้าราชบริพาร พระเมหสีของพระเจ้าอุเทนได้สดับว่าพระคุณเจ้าพระอานนท์ผู้เป็นอาจารย์ของพวกเรานั่งอยู่ที่คโคนไม้แห่งหนึ่งใกล้ราชอุทยานลำดับนั้นพระมเหสีได้กราบทูลพระเจ้าอุเทนดังนี้ว่าขอเดชะทราบว่าพระคุณเจ้าพระอานนท์ผู้เป็นอาจารย์ของหม่อมฉันนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งใกล้ราชอุทยานขอเดชะ หมอมชันปรารถนาจะเยี่ยมพระกุณเจ้าพระอานนท์พระเจ้าอุเทนตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอไปเยี่ยมท่านพระอานนท์เถิดต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ครั้นแล้วอภิวาทนั่งนี่สมควรท่านพระอานนท์ชี้แจงพระมเหสีให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาหานแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิรกถาลำดับนั้นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนผู้ซึ่งท่านพระอานนุนชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิรกถาแล้วได้ถวายผ้าห่มห้าร้อยผืนชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระอานนุนลุกจากอาสนะ อาพิวาสแล้วทาประทักษิณกลับไปเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนณที่ประทับพระเจ้าอุเทนทอดพระเนรเห็นพระนางเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วได้ตรัสถามพระมเหสีดังนี้ว่าเธอเยี่ยมพระคุณเจ้าพระอานนท์แล้วหรือพระนางกราบทูลว่าขอเดชะเยี่ยมแล้วพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าเธอถวายอะไรแกสมณะอานนท์บ้างพระนางกราบทูลว่าขอเดชะ พวกมอมฉันถวายผ้าหม500่มห้าร้อยผืนแก่พระคุณเจ้าพระอานน์พระเจ้าอุเทนทรงตำหนิประนามพนทนาว่าฉไห น, นสมณะอานน์จึงรับผ้ามากมายอย่างนั้นเล่าสมณะอานน์จะทําการค้าขายผ้าหรือตั้งร้านค้ากระมังต่อมาพระเจ้าอุเทนเสด็จไปหาท่านพระอานน์ถึงที่พักครั้นแล้วทรงปราศัยกับท่านพระอานน์ครั้นทรงปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งนาที่สมควรตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอนน์ไม่เหสีของข้าพเจ้ามาแล้วหรือท่านพระอนน์ถวายพระพรว่าพระไม่เหสีของพระองค์มาแล้วมหาปพิธพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าพระนางได้ถวายอะไรแก่ท่านอนน์บ้างท่านพระอานน์ถวายพระพรว่ามหาปพิธ พระนางถวายผ้าห่มอาตมาห้าร้อยผืนพระเจ้าอุเทนตรามว่าท่านอานอน์ผ้ามากมายอย่างนั้นท่านจะเอาไปทำอะไรท่านพระอานน์ถวายพระพรว่ามหาปะพิธอาตมาจะแจกภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าพระเจ้าอุเทนตรถามว่าท่านอานอน์ท่านจะเอาจีวรเก่าที่มีอยู่เดิมไปทำอะไรท่านพระอาณน์ถวายพระพรว่ามหาปพิธ อาตมาจะทําจีวรเก่าที่มีอยู่เดิมนั้นให้เป็นผ้าเพดานพระเจ้าอุเทนตรถามว่าท่านอานนท่านจะเอาผ้าเพดานเก่าไปทําอะไรท่านพระอานนถวายพระพรว่ามหาประพิธอาตมาจะทําผ้าเพดานเก่านั้นให้เป็นผ้าปลอกฟูกพระเจ้าอุเทนตรถามว่าท่านอานนท่านจะเอาผ้าปลอกฟูกเก่าไปทําอะไรท่านพระอานนถวายพระพรว่า มหาปพิธอาตมาจะทำผ้าปลอกฟูกเก่านั้นให้เป็นผ้าปูพื้นพระเจ้าอุเทนตรถามว่าท่านอานนท่านจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรท่านพระอานนถวายพระพรว่ามหาปพิธอาตมาจะทำผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นผ้าเช็ดเท้าพระเจ้าอุเทนตรถามว่าท่านอานนท่านจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรท่านพระอานนถวายพระพรว่า มหาปพิธอาตมาจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปเช็ดทุลีพระเจ้าอุเทนตรามว่าท่านอานนท่านจะเอาผ้าเช็ดทุลีเก่าไปทำอะไรท่านพระอานนถวายพระพรว่ามหาปพิธอาตมาจะโคลกผ้าเหล่านั้นขยำกับโคลนแล้วฉาบทาฝาลำดับนั้นพระเจ้าอุเทนทรงดำริว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรทั้งหมดนี้นำผ้าไปใช้คุ้มค่า ไม่เจ๊เก็บเข้าคลังจึงได้ถวายผ้าอีกจำนวน500้อผืนแก่ท่านพระอานน์อนันหนึ่งเวลานั้นบริขารคือจีวร 1,000 ผืนเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานน์เป็นครั้งแรก ท่านพระอนนท์แจ้งพรหมทานแก่พระฉันนะต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปที่โคศิตารามครล้นแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ลําดับนั้นท่านพระฉันนะได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทนั่งหน้าที่สมควรท่านพระอนนท์ได้กล่าวกับท่านพระฉันนะดังนี้ว่าท่านฉันนะสงได้ลงพรหมทานแก่ท่านแล้วท่านพระฉันนะถามว่า ท่านอานนนพระมทันที่สงลงแล้วเป็นอย่างไรขอรับท่านพระอานน์ตอบว่าท่านฉันนะท่านพึงพูดได้ตามที่ปรารถนาภิกษุทั้งหลายจะไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่พร่ำสอนท่านท่านพระชนนะถามว่าท่านอานน์เพราะเหตุที่พิกษุทั้งหลายไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่พร่ำสอนผมเพียงแค่นี้ผมชื่อว่าถูกกําจัดแล้วแล้วสลบล้มลงที่นั่นเอง พระช น, นะบรรลุอรหัตผลต่อมาท่านพระชนนะอึดอัดเบื่อระอารังเกียดด้วยพรหมทันจึงหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียนอุทิศกายใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระช น, นะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านฉันนะได้บรรลุอาราตผลแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอนนท์ถึงที่พักครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์เวลานี้ ท่นโปรดระงับพรหมทันแก่ผมเถิดท่านพระอนวนกล่าวว่าท่านฉันนะเมื่อท่านบรรลุอรหัตผลแล้วพรหมทันของท่านก็เป็นอันระงับไปก็ในการสังคารนาพระธรรมวินัยครั้งนี้มีภิกษุห0 0รอรูปไม่หย่อนไม่ยิ่งดังนั้นการสังขายนาพระธรรมวินัยครั้งนี้จึงเรียกว่าปัญจสติกะปัญจสติกะขันธกะที่11 ในคันธกะนี้มี23ามเรื่องรวมเรื่องที่มีในปัญจสติกะคันธกะเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานท่านพระมหากัสสปะผู้รักษาพระสัตธรรมชี้แจงต่อหมู่สงฆ์ถึงถ้อยคําที่พระสุภัตตะกล่าวดูหมิ่นพระธรรมวินัยเมื่อเดินทางจากเมืองปาวาพระมหากัสสปะจึงกล่าวว่าพวกเราจะสังขายาณาพระสัตธรรม ก่อนที่อะธรรมจะรุ่งเรืองพระมหาคสปะคัดเลือกภิกษุธทำสังขยา499รูปต่อมาสงแนะนําให้เลือกท่านพระอานนท์ด้วยภิกษุสงจ์จําพรรษาอยู่ในถ้ำอันเหมาะที่จะทําสังขยนาพระธรรมวินัยเมื่อคราวสังขยนาพระมหาคสปะถามพระวินัยกับท่านพระอุบาลีถามพรภิกษุกับท่านพระอานนท์ผู้ชาญฉลาด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 เพราะไม่กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพราะกราบทูลขออนุญาตให้มาตุกคามออกบวชท่านพระอาณน์ยอมรับอาบัตทุกฏกเพราะเชื่อฟังภิกษุผู้เทระทั้งหลายต่อมาท่านพระปูราณะเดินทางมาจากทักกีนาคีรีชนบทไม่ยอมรับผลการสังขยนณาสงลงพรหมทานแกพระช น, นะพระมเมสีของพระเจ้าอุเทนถวายลาบสักระแกท่านพระอานน์ ผ้าได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากท่านพระอานนท์เอาผ้าจีวรเก่าทำเป็นเพดานทำเป็นปลอกฟูกเป็นผ้าปูพื้นเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดทุลีต่อจากนั้นขย้ำกับโครนฉาบทาฝาจีวอนหนึ่งพันผืนเกิดแก่ท่านพระอานนท์เป็นครั้งแรกพระฉันนะถูกลงพระมธันได้บรรลุสัจธรรมภิกษุผู้เทระผู้เชี่ยวชาญห้าร้อยรูปสังายนา จึงเรียกว่าปัญจสติกะปัญจสติกะขันธะกะจบ